วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มกราคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานงต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรม มาศึกษาพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้พวกเราจะมาฟังเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธเจ้าว่าเรามีความสัมพันธ์กันอย่างไรพระพุทธเจ้าก็คือพ่อแม่ทางธรรมของพวกเรานั่นเอง พวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกทางธรรมเป็นทายาททางธรรมพระพุทธเจ้าได้ฝากมรดกอันล้ำค่าไว้ให้กับพวกเราพระพุทธเจ้าของพวกเรานี้เป็นมาหาเศรษฐีที่แท้จริง เป็นมาเศรษฐีที่มีกำลังซื้อสิ่งที่มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกไม่สามารถซื้อได้สิ่งที่ทรัพย์ของพระพุทธเจ้าซื้อให้กับพวกเราได้ก็คือวิมุตติคือการหลุดพ้น <c oughs> จากกองทุก แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่เองวิมุติแปลว่าการหลุดทนหรืออิสระภาพพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนนักโทษถูกจำคุกอยู่ในคุกของสังสารวัติคือคุกของการเวียนว่ายตายเกิดในไตพภพ คือกามาพรูปรพบและอรูปรพบที่พวกเราไม่สามารถที่จะหาทางทางออกเองได้เราต้องมีพระพุทธเจ้ามีมรดกของพระพุทธเจ้าถึงสามารถที่จะออกจากคุกตารางของสังสารวัตที่ได้ พวกเราทุกคนนี้มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกอัน้ําคาจากพระพุทธเจ้าเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าเหมือนกับพระราหุลพระราหุล น, นี้เป็นลูกของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะลูกของพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูตร พระพุทธเจ้าทรงอุทธธานว่าราหุลแต่ว่าบวงตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีความปรารถนาที่จะสละราชสมบัติเพื่อออกบวชเพื่อหาวิมุติการหลุดพ้นจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพอได้ฟัง ข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระราชนรสพระ อ, องค์ก็ทรงอุทานออกมาว่าราหุลแปลว่าบ่วงบ่วงที่จะรัดหัวใจของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะไม่ให้ออกบวชเพื่อสแสวงหาวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด เมื่อทรงอุทานแล้วจึงทรงตัดสินพระไทยว่าจำเป็นที่จะต้องสะละราชสมบัติหนีออกจากวังไปในคืนนั้นแต่หลังจากที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญได้บวชได้บำเพ็ญอยู่หกปีด้วยกันก็ได้ทรงค้นพบวิมุตติ คือการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งที่ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากที่ทรงตัดสู่แล้วก็ทรงเสด็จกลับไปเยี่ยมพระญาตพระบิดา ที่พระราชาวังพระมเหสีก็ให้เจ้าชายลาหุนตอนนั้นอายุหกเจ็ดขวบด้วยกันไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าขอรับมรดกจากพระพุทธเจ้าพอพระลาหุนกราบทูลขอรับมรดกจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยให้พาระลาหุนไปบวชเป็นเนรพราะผู้ที่จะรับมรดกของพระพุทธเจ้าคือรับวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จําเป็นจะต้องปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญานั่นเองเห็นผู้ที่จะสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา ได้อย่างเต็มร้อยก็คือพวกนักบวชทั้งหลายนี่เองดังนั้นเมื่อเจ้าชายราหุลได้กราบทูลเจตนาอยากได้มรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยให้บวชเป็นเนนทันทีและได้อยู่ได้ศึกษาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญา กับพระพุทธเจ้าจนในที่สุดก็ได้วิมุตติได้ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเราก็เป็นเหมือนเจ้าชายราหุลพวกเราก็เป็นเหมือนทายาทเป็นลูกทางธรรมของพระพุทธเจ้า พ่อแม่พระพุทธเจ้านี้เป็นพ่อแม่ทางธรรมของพวกเราพวกเรามีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้ถ้าเราปฏิบัติตามเงื่อนไขของการรับมรดกจากพระพุทธเจ้า mm. ก็คือเราต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันนั่นเอง นี่คือความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกของท่านท่านเป็นพ่อแม่ทางธรรมของพวกเราพระกรรมฐานที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกับพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้า จึงเรียกพระอริยสงฆ์สาวกที่เป็นครูอาจารย์ของท่านว่าพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูอาจารย์ครูอาจารย์ก็มาจากคำว่าครูบาอาจารย์เรียกสันส้นๆก็เรียกว่าครูอาจารย์พระกรรมฐานพระปฏิบัติพระป่านี้จะเาคารพครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพ่อแม่ของตน อย่างหลวงปู่มั่นนี้ท่านจะเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่กูจาร์มัน่นหลวงตาพ่อแม่กูจาร์มหาบัวนี่คือความสัมพันธ์ระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์ระหว่างพุทธบริษัทกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี้เป็นพ่อแม่กูจาร์ของพวกเราเป็นพ่อแม่ทางธรรม ผู้ที่จะมอบบารดกทางธรรมให้กับพวกเราคือวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการที่เราได้มาฟังธรรมและได้รู้จากความสัมพันธ์ของเรากับพระพุทธเจ้านี้ทำให้เรานี่มีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจเพราะ ถ้าเราไม่รู้เราก็เป็นเหมือนกับลูกเศรษฐีที่ไม่ได้รู้เรื่องของพ่อแม่ของตนว่าเป็นเศรษฐีนั่นเองแล้ววันดีคืนดีก็มีผู้ที่รู้เช่นทนายผู้เก็บพินัยกรรมไว้มาแจ้งมาบอกพวกเราให้รู้ว่าพวกเรานี้เป็นลูกเศรษฐีเรากำลังจะได้รับมรดก ของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก <laughs> <laughs> พอเราได้รู้ว่าเรานี้จะได้รับบรดกอันล้ำค่าคือวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด <laughs> <laughs> ความรูษษ้สึกที่เรารูษษ้สึกน้อยเนื้อต่ำตัว รู้สึกว่าเป็นคนไม่มีคุณค่าราคาก็หายไปทันทีทำให้เรารู้สึกว่าเรานี่เป็นลูกของมหาเศรษฐีนะที่รวยกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเพราะเงินทองของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถซื้อวิมุติการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนต่อให้เป็นใหญ่เป็นโตขนาดไหนเป็นพระมหาจักรพรรดิเป็นพระ ม, ม, มหาราชามหากษัตริย์เป็นประธานาธิ บ, บดีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรก็ตามที่เป็นกันอยู่ในโลกนี้ความเป็นของบุคคลต่างๆเหล่านี้ไม่มีความสามารถที่จะซื้อวิมุตติ การหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่การเป็นทายาทของพระพุทธเจ้านี่สามารถซื้อวิมุติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พวกเรานี้จึงถือว่าเป็นพวกที่โชคดีมหาศาลที่ได้พ่อแม่ ทางธรรมที่ร่ำรวยมหาศาลที่จะมอบมรดกให้กับพวกเราเพื่อที่เราจะได้ไปซื้อวิมุตติการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดตอนนี้พวกเราติดอยู่ในไตรพพกันไตรภพนี้ก็คือคุกตารางดีๆนี้เองมีแบ่งไว้เป็นสามแดนด้วยกัน คุกตารางนี้เขาก็มีแบ่งแดนไว้นักโทษหนักนักโทษเบานักโทษปาหารเขาจะแยกให้อยู่คนละแดนกันฉันใดในไต้ภพนี้เขาก็แบ่งพวกเราไว้ในสามแดนด้วยกันพวกที่ยังเสพกามอยู่ เช่นพวกเรานี้เป็นพวกที่ยังเสพกามกือยังเสพความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่พวกเราก็จะไปอยู่ในกามะพบกันกามะพบคือพบของมนุษย์ของเทวดาพบของเดรัจฉานพบของเปรตมีแบ่งไว้เป็นแด น, แด น, แ, ดนแดนอีก อีกส่วนหนึ่งแบ่งไว้เป็นสองสีกสีกที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์เราเรียกว่าสุขคติสีกนี้เป็นที่อยู่ของเทวดาทั้งหลายส่วนอีกสีกหนึ่งเราเรียกว่าทุกขคติหรืออบายเป็นสีกของพวกที่ เสพการแต่ทำบาปด้วยการทำบาปต่างๆก็จะไปอยู่ในซี่ของทุกขติคือบายมีเดรชานเปตอสุลกายและนรกส่วนมนุษย์นี้จะอยู่ตรงกลางระหว่างสุขติกทุกติคืออยู่ที่มีความสุขความทุกข์เท่าๆกัน สิของเทวดาจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์สิ่ของอบายของเดรัจฉานของเปรตของนรกจะมีความทุกข์มากกว่าความสุขนี่คือกามาพบที่พวกเราติดอยู่กันในขณะนี้ตอนนี้พวกเราอยู่ในภพของมนุษย์ แต่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายของพวกเราตายไปแล้วบางคนก็อาจดวงวิญญาณของบางคนก็อาจจะไปอยู่ในสุขคติถ้าได้ทำบุญมากกว่าได้ทำบาปก็จะเป็นดวงวิญญาณของพวกเทวดาทั้งหลายถ้าทำบาปไว้มากกว่าทำบุญดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ใน ทุกขติไปอยู่เป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรก น, นี่คือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกที่ยังเสพกามอยู่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกามภพล่านี้ไปเป็นเทวดาได้จนกว่าบุญที่ได้ส่งไปให้เป็นเทวดา หมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ไปรับผลบาปในอบายจนกว่าบาปที่ได้ทําไว้หมดกําลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาเสพการามกันใหม่คือมาเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะผ่านทางตาหูจมูกมือดินกายกันใหม่ โดยการใช้ร่างกายอันใหม่ที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะทำบุญหรือทำบาปในขณะที่เสบ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลถพาพะชนิดต่างๆไปขึ้นอยู่กับโอกาสขึ้นอยู่กับเหตุการณ์บางเวลาอยากจะเสพกามแต่ไม่มี กำลังซื้อเช่นเงินทองก็ต้องไปลักไปขโมยเงินทองของผู้อื่นไปช่อโกงเงินทองของผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอามาซื้อรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะชนิดต่างๆมาเสพนั่นเองก็จะเป็นการสะสมบาปไปบางคนโชคดีเกิดมามีกำลังซื้อมากมีกำลังซับมาก ต้องการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสพลธพะชนิดต่างๆก็มาสามารถซื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปทำบาปนอกจากนั้นยังมีเหลือที่จะแบ่งให้คนอื่นได้ด้วยก็แบ่งให้เพื่อนฝูงให้คนที่เราลักเราชอบคนที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ได้ทำบุญไป นี่ล่ะคือทำไมพวกเราเกิดมาทำไมบางคนถึงต้องไปทำบาปบางคนถึงได้ทำบุญกันก็เพราะว่ามีกำลังซื้อรูปเสียงกลิก่นรสโพธ ภ, ภาพชนิดต่างๆมากหรือน้อยนั่นเองถ้ามีน้อยมีไม่พอก็มักจะต้องไปทำบาปผู้ที่มีมากกว่า มากกว่าที่จะใช้ได้ก็จะแบ่งเอาไปทำบุญเนนะี่ยยงมีการทำบุญทำบาปกันในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันแล้วพอตายไปบุญกับบาปนี้ก็จะเป็นผู้ที่จะตัดสินว่าดวงวิญญาณจะไปอยู่ในซีกไหนของโลกทิพย์เนี่ย จะไปอยู่ในสิกสุขติก็ไปอยู่กับพวกเทวดาชนต่างๆจะไปอยู่ในอบายก็ไปอยู่กับพวกอบายพวกสัตว์เดรัจฉานพวกเรสพวกอสุรกายพวกนรกแต่ไม่ว่าจะไปอยู่ซิกไหนเดี๋ยวพอบุญหรือบาปที่ส่งไปหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดใหม่ ได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาทำบุญทำบาปมาเสพกามกันใหม่แล้วก็มาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับการพัดพากจากกันใหม่นี่เราถึงเรียกว่าเป็นคุกตารางเป็นที่เราต้องมาติดคุกกัน เกิดมากี่พบกี่ชาติก็ต้องมาเจอความแก่ความเจ็บความตายกันคุกตารางของพวกเรานี้มีกำแพงอยู่สี่ด้านด้วยกันด้านหนึ่งเรียกว่าเกิดด้านที่สองเรียกว่าแก่ด้านที่สามเรียกว่าเจ็บด้านที่สี่เรียกว่าตายพวกเราติดอยู่ในกำแพงสี่ด้านนี้ ไม่มีวันที่จะหลุดออกจากกำแพงสี่ด้านนี้ได้เลยจนกว่าเราจะได้มาพบกับบิดามารดาพ่อแม่ทางธรรมของพวกเรานั่นเองก็คือได้มาพบกับพระพุทธเจ้าหรือพบกับตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกหรือได้พบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่มีกาลังซื้อที่จะซื้ออิสรภาพให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้กำลังซื้อของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เกืออะไร ก็คือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่เองถ้าพวกเราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนา<ม>ก็เป็นเวลาที่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะมารับมรดกของพวกเรานั่นเองแต่ถ้าพวกเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเช่นสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่บนเขานี้ ถึงแม้จะอยู่จะถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาตามแต่เขาไม่สามารถที่จะมารับมรดกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นหรือไม่ฉะนั้นก็ต้องเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดาก็ต้องพบกับ พระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์สาวกที่มีพลังจิตที่จะติดต่อกับเทวดาได้ที่จะสามารถสั่งสอนเทวดาให้ไปสู่วิมุติการหลุดพ้นได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้พระพุทธเจ้าสามารถสั่งสอนเทวดาได้เนื่องจากพระองค์มีพลังจิตที่ติดต่อกับเทวดาได้ ทุก ท, กทกคืนนี้พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมโปรดเทวดาทุกทกวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดมนุษย์คือศรัทธาญาติโยมและภิกษุภิกษุณีเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมผู้ครองเลือนยามค่าก็แสดงธรรมโปรดภิกษุภิกษุณี ยามดึกก็แสดงธรรมโปรดพวกเทวดาเนี่ยพวกเทวดาถึงแม้ไม่มีร่างกายของมนุษย์แต่ถ้ามีจิตใจใฝ่ธรรมมีศรัทธาในเรื่องของการาหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดถ้ามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระอริยสงสาวกที่มีพลังจิตที่จะติดต่อกับพวกเทวดาได้ ก็สามารถไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าได้เลยในยุค ป, ปัจจุบันของพวกเหล่านี้ก็มีพระอริยสงฆ์สาวกบางรูปของพระพุทธเจ้าที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้เช่นหลวงปู่มั่นนี่ในประวัตินี้ท่านมี มีเทวดามาฟังเทศฟังธ ร, รรมกับท่านอยู่เป็นประจำนะเพราะท่านมีพลังจิตสามารถที่จะติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้การมีพลังจิตแบบนี้ไม่ได้เป็นส่วนที่จะทำให้ได้วิมุติหลุดพ้น พลังจิตแบบนี้ถือว่าเป็นของแถมที่บางคนอาจจะได้ศึกษาได้เรียนรู้มาก่อนในอดีตชาติแต่การมีพลังจิตติดต่อกับเทวดาได้นี้ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถทำให้จิตที่ติดอยู่ในไตรภพนี้หลุดออกจากไตรภพได้ การที่จะทำให้จิตหลุดออกจากกายพบได้นี้จาเป็นต้องมีศีลสมาธิปัญญาแต่การมีศีลสมาธิปัญญานี้ mm. ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มีพลังจิตติดต่อกับพวกกายทิพย์พวกเทวดาได้ดังนั้นพระอรหันตสาวกบางรูปจึงไม่มีพลังจิตที่จะไปติดต่อกับพวกกายทิพย์ต่างๆได้ ก็จะไม่สามารถสั่งสอนพวกเทวดาทั้งหลายได้นะพระอรหันต์นี้ท่านจึงมีหลายแบบด้วยกันพระอรหันต์ที่ไม่มีความสามารถพิเศษนะกับพระอรหันต์ที่มีความสามารถพิเศษแต่เป็นพระอรหันต์เหมือนกันคือได้วิมุตติได้ดุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน นี่คือการมาเกิดในโลกนี้หรือเกิดเป็นเทวดาจะได้รับประโยชน์จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อเมื่อได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในขณะที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาถ้ามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาเป็นนกเป็นเป็นสัตว์อะไรต่างๆที่อยู่บนเขานี้ ถึงแม้จะมีการแสดงธรรมสัสตว์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมที่แสดงได้เพราะเขาไม่มีความรู้ทางภาษาของมนุษย์นั่นเองจึงไม่สามารถที่จะรับมรดกอันนําค่าจากพระพุทธเจ้าได้แต่พวกเหล่านี้เป็นพวกที่ มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกของพระพุทธเจ้าได้อยู่ที่ว่าพวกเราจะยื่นคำขอหรือไม่ต้องยื่นคำขอก่อนต้องขออย่างพาระลาหุนนี้ต้องไปขอจากพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอรับมรดกจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกถ้าจะรับมรดกก็ต้องบวชนะก็เลยยอมบวชบวชเป็นเนร แล้วก็อยู่ศึกษากับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกของพระพุทธเจ้ารู้สึกว่าพระพุทธเจ้ามอบให้ภาษาลิบุตรเป็นพี่เลี้ยงของเจ้าชายพาระลาหุลสั่งสอนดูแลแทนพระพุทธเจ้าเนื่องจากพระพุทธเจ้าทรงมีพระรกิจมากมายไม่สามารถที่จะดูแลได้อย่างใกล้ชิดก็ <c oughs> เลยฝาก ไว้กับภาษารีบุตรอคลสาวกของพ่อพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาไปได้ระยะหนึ่งก็สามารถบรรลุถึงวิมุตติบรรลุถึงพระนิพพานได้ได้รับมรดกจากพ่อพุทธเจ้า นี่คือวิธีรับมรดกของพระพุทธเจ้าถึงแม้เราเป็นทายาิของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ยื่นเจตจำนงไม่ไม่ยื่นคำขอรับมรดกเราก็จะไม่ได้รับมรดกเช่นเศรษฐีบางคนมีลูกหลายคนลูกบางคนอาจจะโกรธพ่อไม่ยอมรับมรดกก็มี ก็ปฏิเสธไม่ยอมรับไปก็จะไม่ได้รับมรดกลูกที่ไม่ปฏิเสธยื้อลูกที่ยื่นคำขอรับมรดกก็ต้องทำตามขั้นตอนของการรับมรดกพอได้ทาตามเงื่อนไขก็จะได้รับมรดกตามที่ผู้เขียนพินัยกรรมได้เขียนเอาไว้นั่นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงเขียนพินัยกรรมว่า การที่พวกเราจะรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้นี้พวกเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากันพวกเราถึงจะสามารถรับมรดกอันล้าค่าที่แม้แต่เงินของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้ต่อให้มาเกิดเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกก็จะไม่มี เงินทองที่มีอยู่นี้ก็จะไม่สามารถไปซื้อวิมุตติการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นพวกพวกที่เป็นหมหาเศรษฐีทั้งหลายเขาถ้าเขาไม่มายื่นคำขอรับมรดกเขาก็จะไม่ได้รับมรดกซึ่งเขาก็คงไม่มายื่นเพราะถ้าเขาเห็นเงินไขแล้วก็เขาคงจะรับไม่ได้ เพราะส่วนข้อหนึ่งส่วนหนึ่งของการรับมรดกนอกจากการไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาแล้วจำเป็นจะต้องเป็นขอทานด้วยถ้าเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปให้หมดเพื่อที่จะได้มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยนั่นเอง พวกที่เป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ต้องสะละราชสมบัติสละฐานะของการเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีไปเพราะถ้าไม่สละก็จะไม่มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเองดังนั้นพวกที่เป็นใหญ่เป็นต้นในโลกนี้จึงมักจะปฏิเสธ การรับมารดกจากพระพุทธเจ้ากันไม่เชื่อลองไปถามประธานาธิบดีคนไหนดูไปถามนายกรัฐมนตรีคนไหนดูไปถามพระราชาม า, ากษัตริย์คนไหนดูบ้างที่ยินดีที่จะสละทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองเพื่อมาอยู่แบบขอทานมาอยู่แบบพระเนี่ยพระนี่แหละเป็นขอทาน เพราะพระนี่ไม่มีทรัพสมบัติดีไม่ดียากจนยิ่งกว่าขอทานอีกเนียเพราะว่าขอทานบางคนยังขอทานแล้วรวยก็ได้บางคนขอทานแล้วเก็บเงินไปซื้อรถก็ได้แต่พระนี่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้มีสมบัติมากไปกว่าอัถฐบริขารสมบัติของพระนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีแบดชิ้นด้วยกันเรียกว่าอัถฐบริขาร คือมีหนึ่งบาทหนึ่งใบไว้เป็นเครื่องมือหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสองให้มีผ้าใตสามผืนเป็นเครื่องนุ่งหม่มนี่สมบัติสี่ชิ้นบาทหนึ่งใบผ้าสามชิ้นสามผืนผ้ามีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาว เป็นสมบัติสี่ชิ้นแล้วก็มีเข็มขัดลัดเอวเป็นสมบัติชิ้นที่ห้ามีเข็มกลับได้สวมสัตเข็มสมบัติชิ้นที่หกคือเข็มกลับได้มีไว้เพื่อซ่อมปะเย็บจีวรเวลาขาดแล้วก็มีสมบัติชิ้นที่เจ็ดคือมีดโกนไว้สำหรับปรงผมปรงหนวดแล้วก็มีสมบัติชิ้นที่8ด คือที่กรองน้ําที่ตักน้ําแล้วก็กองน้ําไปในตัวสมัยก่อนไม่มีน้ํา ป, ะ, ปะ่าไม่มีน้ําขวดอย่างสมัยนี้พระส่วนใหญ่อยู่ตามป่าตามเขากันก็จะไปตักน้ําตามลําห้วยลาธารหรือบ่อน้ําแอ่งน้ําก็ต้องมีที่ตักที่กรองไม่ให้อา ตักตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยเพราะในน้ำมักจะมีตัวสัตว์คือลูกน้ำอยู่ถ้าไม่มีที่กองน้ำตักขึ้นมาก็จะตักตัวสัตว์ขึ้นมาด้วยและอาจจะดื่มเข้าไปในร่างกายทำให้ทำบาปฆ่าสัตว์ตายจึงต้องมีที่กองน้านี่แหละคือสมบัติแปดชิ้นของ นักบวชในพระพุทธศาสนาเวลาบวชนี้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้มีสมบัติได้เพียงแปดชิ้นเท่านั้นถ้ามีมากกว่านั้นนี่จะไม่ให้บวชนะจึงทำให้ผู้ที่เป็นใหญ่เป็นโตผู้ที่ร่ำรวยมหาเศรษฐีนั้นจึงไม่มีใครยินดีที่จะมารับมรดกอันน้าค่าจากพระพุทธเจ้าของพระพุทธเจ้า เพราะเขาไม่มีความฉลาดที่จะเปรียบเทียบคุณค่าของทรัพย์สมบัติเงินทองที่เขามีอยู่กับวิมุติการหลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดว่าสิ่งไหนมีคุณค่ามากกว่ากันนั่นเองถ้ามาวิเคราะห์แล้วเนี่ย วิบุตตินี้มีคุณค่ามาหาศาลยิ่งกว่าทรัพยสมบัติข้าวของเงินทองเพราะทรัพสมบัติข้าวของเงินทองนี้ก็มีไว้ใช้เพียงขณะที่มีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นเองหรือใช้ตอนที่ร่างกายยังแข็งแรงยังสามารถใช้เงินใช้ทองไปซื้อความสุขต่างๆได้อยู่แต่พอร่างกายเข้าสู่วัยชรา เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าสู่ความตา ย, เ, ยเงินทองมีมากน้อยเพียงรายนี้แทบจะซื้อความสุขไม่ได้เสียแล้วทีตอนนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์รุมเล้าจิตใจในทางตรงกันข้ามผู้ที่ไปรับมรดก ข, ของพระพุทธเจ้าได้ได้รับวิมุตติแล้วนี่ใจจะมีความสุขตลอดเวลา ใจจะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจดังนั้นเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายใจก็ยังสามารถมีความสุขได้ใจที่มีวิมุตตินี่จะมีความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ขึ้นกับความเป็นไปของร่างกาย ร่างกายจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่จะตายหรือไม่นี่ไม่สามารถที่จะมาทำให้ความสุขภายในใจหายไปได้อันนี้ถ้าเขาไม่มาฟังเทศฟังธรรมมาเปรียบเทียบเขาจะไม่อยากที่จะสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเพื่อมาแลกกับมรดก ของพระพุทธเจ้ากันจึงไม่ค่อยมีคนรวยนะคนมีฐานะการเงินการทองมาบวชกันถ้าบวชก็บวชเป็นพิธีเท่านั้นเองเช่นบวชสิบห้าวันเอเดือนหนึ่งเลือหนึ่งพันสาในสมัยก่อนยุคที่ยังไม่เจริญทางทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองคนส่วนใหญ่ก็จะบวชกันหนึ่งพันษา คือสามเดือนแต่พอมายุคปัจจุบันนี้นั่รวยกันมากขึ้นมีเงนินมีทองสามารถซื้อความสุขต่างๆได้กันมากขึ้นการมาบวชจึงมีการลดน้อยลงไปเวลาบวชก็บวชน้อยสั้นลงก็บวชพรรษาหนึ่งบางทีก็บวชได้อย่างมากก็แค่เดือนหนึ่งบางคนก็บวชได้แค่สิบห้าวัน ก็าลา ง, งานไม่ได้ทํางานหาเงินหาทองเขาไม่ให้ลาถึงสามเดือนยกเว้นจากพวกที่เป็นข้าราชการนถ้าเป็นข้าราชการนี้ทางรัฐบาลยังสนับสนุนให้คนบวชอยู่ก็ให้บวชได้สามเดือนให้ลา ง, งานได้สามเดือนถ้าเป็นทางบริษัททางร้านเอกชนนี้เขาให้ลาได้ แบ่งมากก็เดือนหนึ่งหรือสิบห้าวันบางคนก็เลยบวชเช้าศึกเย็นก็มีซึ่งการบวชแบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นการบวชเพื่อไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้าการที่จะรับมรดกคือวิมุตติดูดพ้นจากพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องบวชแบบไม่ศึกนั่นเองถ้าบวชแล้วศึกก็แสดงว่ายังไม่ได้รับมรดก เพราะว่าถ้าได้รับมรดกแล้วก็ไม่รู้จะสึกไปทำไมไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรที่ดีกว่าวิมุตติที่ได้จากการบวชเนี่ยเพรที่ได้วิมุตตินี้จึงไม่มีใครไปสึกกันดูหลวงปู่มั่นหลวงปู่หลวงตาต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ไม่มีองค์ไหนท่านศึกกัน พอท่านได้วิมุตติท่านได้บรรมุมสุขแล้วท่านไม่รู้ว่าจะไปหาความสุขที่เหนือกว่าบรมมุมสุขจากการไปสึกได้อย่างไรมันไม่มีจึงไม่มีการศึกกันนี่แหละคือเรื่องของการมารับมรารดกจากพระพุทธเจ้าของพวกเราพวงเราต้องยอมลดฐานะต่างๆที่เรามีอยู่เป็นอยู่กันตอนนี้ จะรวยขนาดไหนก็ตามถึงเวลาจะไปรับมรดกก็ต้องสละทรัพย์สมบัติให้ลดเหลือเพียงแต่สมบัติแปดชิ้นคืออัฐะบริขารเท่านั้นมาอยู่แบบพระเพื่อที่จะได้มีเวลาปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองเพราะถ้ายังต้องไปท ร, รมาหากินมีกิจการมี ภารกิจต่างๆที่ยังต้องคอยดูแลรักษาการจะรักษาศีให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาก็ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะเวลาคุยเรื่องธุรกิจนี้ต้องมีชั้นเชิงไม่ใช่แบบไต่พูดต้องไปเปิดเผยความจริงทุกอย่างต้องมีกักกันไว้บ้างแบ่งกันไว้บ้างถ้าไปพูดความจริงหมดเดี๋ยวก็ต่อรองกันไม่ได้ ก็ต้องมีการาหลอกลวงกันบ้างโกหกกันบ้าง เ, าเป็นเรียกว่าเป็นชั้นเชิงทางธุรกิจกันถ้าใครลองทำธุรกิจแล้วรับประกันได้ว่าศีลห้านี้รักษาให้บรยสุดไม่ได้นี่คือเรื่องของการจะมารับมรดกของพรอพุทธเจ้าได้นี้ เงิอนไขอันนี้ลาบากยากมากสำหรับผู้ที่มีฐานะการเงินการทองดีแต่สำหรับพวกที่ยากจนอยู่แล้วนี่เขารู้สึกว่าง่ายคนที่ไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเลยนี่มาบวชกับรู้สึกว่ารวยขึ้นว่ามีแปดมีสมบัติต้องแปดชิ้นด้วยกันตอนที่ไม่ได้บวชนี่ไม่มีอะไรเลยเงินเดือนก็อย่างมากก็หาเช้ากินข้ามไปวันวันหนึ่ง เ็นการมารับมรดกของพระพุทธเจ้านี้การมาเกิดเป็นคนจนนี้มีโอกาสดีกว่าการมาเกิดเป็นคนรวยเพราะเป็นคนรวย้วนี่มันจะต้องลดฐานะลงมาถึงจะไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเป็นคนจนนะมันก็ไม่ต้องลดระดับมันอยู่ในระดับเดียวกันอยู่แล้วก็ง่ายต่อการบวชนะถ้าเราศึกษาประวัติของ พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ผ่านมานี้ส่วนใหญ่ท่านก็เป็นลูกชาวนาชาวไร่กันนะไม่ค่อยมีลูกเศรษฐีมาบวชกันนะสายพระปฏิบัตินี่ลองไปศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆเดี๋ยวเป็นลูกของคนธรรมดาสามัญหรือลู ก, ล, กลูกของคนยากคนจนทั้งนั้นไม่ได้เป็นลูกของคนรวยถ้าเป็นลูกของคนรวยแล้วนี่ จะไม่อยากจะลดฐานะจากการเป็นลูกของคนรวยมาเป็นคนจนกันจึงไม่ค่อยมีคนรวยมาบวชกันประวัติของครูบาอาจารย์แต่ละรูปนี้เป็นลูกชาวนาชาวไร่กันหลวงปู่มัน่นท่านก็เป็นลูกชาวนาชาวไร่หลวงตามหาบัวท่านก็เป็นลูกชาวนาชาวไร่อาจจะมีฐานะดีกว่าชาวนาชาวไร่บางคน แต่ก็ยังเป็นชาวนาชาวไร่ยอยู่ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับพวกที่เป็นเศรษฐีนี่ก็ยังถือว่าเป็นคนจนอยู่นั่นเองพวกนี้จึงไปบวชกันได้ง่ายเพราะไม่มีภารกิจไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่จะต้องคอยดูแลรักษานั่นเองเราจะจะเสียสละก็เสียดาย นี่คือจึงทําไมคนเราจรึงปฏิเสธการมันเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าปฏิเสธการรับมรดกอันล้าค่าจากพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าต้องลดฐานะของตนเองให้มาอยู่เป็นแบบให้มาอยู่แบบคนจนให้มีทรัพย์สมบัติเพียง8ชิ้นคืออัฐบริขารเนี่ยแล้วก็อยู่แบบคนจนอยู่แบบขอทาน ตอนเช้าให้ไปบินธบาตถือแบดเข้าแบกบาทเข้าไปในหมู่บ้านไปรับข้าวรับอาหารจากชาวบ้านก็เป็นเหมือนขอทานดีๆนีเ่เขาจะให้ไม่ให้ก็เป็นเรื่องของคนให้คนไปรับนี่พูดอะไรไม่ได้ยินดีตามมีตามเกิดแล้วก็เลือกอาหารสั่งอาหารไม่ได้ไม่ใช่วันนี้เขียนเมนูเตรียมไว้ก่อน พอเจอญาติโยมก็แจกเมนูโยมพวกนี้เอาอย่างนี้นะพวกนี้เอาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้นะทำไม่ได้แล้วแต่ญาติโยมจะใส่อะไรให้ก็ต้องรับไปตามที่ได้รับนี่คือการอยู่แบบขอทานยินดีตามมีตามเกิดแต่อยู่แบบนี้มันดีอย่าง คือมันทำให้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องการสรรหาอาหารชนิดต่างๆมารับประทานกันซึ่งการสรรหาอาหารชนิดต่างๆก็เป็นการสร้างกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นนั่นเองแทนที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยลงเพราะเป้าหมายของวิมุตตินี้ก็คือจะวิมุตติได้ก็ต้องทำลายกิเลสตัณหาเอง เพราะกิเลสตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่กักขันดวงจิตดวงวิญญาณของพวกเราให้ติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายให้ติดอยู่ในคุกตารางของสังสารวัฏของไต่พบกันเราต้องมาทําลายกิเลสตัณหากันด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะทําลายกิเลสตัณหาได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีอาวุธใดในโลกนี้ที่จะสามารถทําลายกิเลสตัณหาได้ต่อให้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูที่สามารถที่จะล้างโลกนี้ได้ทําลายโลกทั้งโลกนี้ได้ก็ไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกได้ระเบิดนิวเคลียร์ที่จะมาทําลายกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในสัตว์โลก นี้ต้องเป็นระเบิดนิวเคลียร์ของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญานี้ท่านั้นเองเนี่ยนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้พวกเราอยู่แบบขอทานอยู่แบบยินดีตามมีตามเกิดอยู่แบบมากน้อยสันโดษเพราะนี่เป็นอาวุธในการที่จะมากำลาบกิเลสตัณหาความมา ก, มาก ความชื่อที่จุกจิกความตา้องความอยากความต้องการต่างๆนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องอาหารส่รงสอนให้ใช้มักน้อยสันโดษ ย, ยินดีตามมีตามเกิดเรียกว่าสันโดษมักน้อยก็เอาเท่าที่จําเป็นไม่เอามากอาหารก็เอาพอฉันได้ไปวันหนึ่งได้อาหารมามากกว่านั้นก็หลังจากฉันเสร็จก็ให้ เสียสละไปแากใครให้กับคนที่เขาอยากได้ไปคนที่เขาขาดแคลนไปไม่ให้สะสมไว้ให้หาใหม่ในวันรุ่งขึ้นถึงเวลาก็ไปบินฑบาตให้อยู่ตามมีตามเกิดมากน้อยสันโดษไม่ให้จู้จี้จุกจิกไม่ให้อยากได้อาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้เพราะความอยากนี้เป็นกิเลสตัณหา ที่จะผูกใจให้ติดอยู่ในกามาภพนี้เองการอยากกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้เรียกว่ากามาตัญหาถ้ามีกามาตัญหามันก็จะหาหากามาเสพอยู่เรื่อยๆพอร่างกายตายไปกามาตัญหามันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันก็จะดึงใจให้ไปเกิดใหม่ไปได้ร่างกายอันใหม่ เพื่อที่จะได้มาเสพกามกันใหม่มาเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันใหม่มาเลือกหาอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มารับประทานกันใหม่นั่นเองนดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงจําเป็นที่จะต้องคอยกำจัดกิเลสตัณหาทุกรูปแบบนะแม้แต่การรับประทานอาหารก็มีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามา แม้แต่การใช้เครื่องนุ่งห่มก็มีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามาแม้แต่ยุทที่อยู่อาศัยก็มีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามาแม้แต่ยารักษาโรค ก, ก็มีกิเลสตัณหาแทรกเข้ามาเราต้องใช้ความมากน้อยสันโดษใช้เหตุผลมาเป็นตัวคอยกำจัดกิเลสตัณหาที่จะแทรกเข้ามาในการ หาปัจจัยสี่ของพวกเราเนี่ยอาหารก็อย่าไปชู้จี้จุกจิกอย่าไปเลือกกินอาหารอย่างนั้นอาหารอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องเลือกอาหารว่าต้องมีราคาแพงๆอาหารถูกๆถ้ามันทําหน้าที่ได้เหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันเช่นอาหารกินเข้าไปแล้วทําให้ท้องอิ่มอันนี้คือหน้าที่ของอาหารบําบัดความหิว เพื่อให้ร่างกายอยู่ได้เป็นปกติสุขไม่จำเป็นจะ ต, ต้องไปกินอาหารตามร้านอาหารหรูหรือ ห, หลาหลากินตามโรงแรมกินข้างถนนมันก็อิ่มเหมือนกันทำหน้าที่ได้เหมือนกันกินอาหารบินทบาทก็ได้เหมือนกันไม่ต้องรอรับกิจนิมนต์ของเศรษฐีคนนั้นเศรษฐีคนนี้พอเวลานิมนต์เศรษฐี นิมนต์ไปก็เศรษฐีก็จะจัดอาหารของเศรษฐีให้กินกันก็ถ้าติดอาหารก็บางทีก็ไม่อยากบินทบาทกันอยากจะรอให้มีกิจนิมนต์กันแล้วก็ถ้ากิจนิมนต์ันไหนเป็นของเศรษฐีก็อยากจะรับกิจอันนั้นกันแย่งกันอันนี้ต้องใช้ใช้ความมากน้อยสันโดษหรือ ตามสายปฏิบัตินี้ท่านมักจะไม่ให้รับกิจนิมนต์กันเลยตัดปัญหาไปเพราะว่ามันเป็นการเสริมกิเลสของพระขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวทั้งๆ ท, ที่เจตนาของศรัทธายาิโยมก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่พอไปถึงพระนี่มันกลับกลายเป็นเรื่องอกุศลไปสำหรับพระเพราะว่าทำให้พระเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาอยากจะรับกิจนิมนต์ของบ้านนั้นบ้านนี้ ไม่อยากรับกิจนิมนต์ของบ้านนั้นบ้านนี้ขึ้นมาก็เลยทางวัดปฏิบัตินี่เช่นวัดของหลงตานี้ท่านเลยไม่ให้พระเนรับกิจนิมนต์เพราะถึงแม้จะเป็นเป็ น, ป น, ปนบุญเป็นกุศลของศรัทธาญาติโยมแต่มันกลับไปเป็นกิเลสตัณหาของพระขึ้นมาเป็นอกุศลให้กับพระได้เป็นอันตรายเป็นภัยต่อพระ ท่านจึงไม่ให้รับกิจนิมนต์กันให้ให้ให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากการบินตบาทนะแล้วบินตบาทอยู่ต่างจังหวัดอยู่กับชาวบ้านชาวนาชาวไร่ก็ไม่ใช่เป็นอาหารวิเศษวิโสอะไรเป็นอาหารพอที่จะทำหน้าที่ของมันได้คือดับความหิวแล้วก็เลี้ยงดูร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขได้เท่านั้นก็พอเพียงแล้วนะนี่คือ เรื่องของการที่จะมารับมะระดกจากพระพุทธเจ้าได้เนี่ยต้องมาอยู่แบบนี้กันต้องลดฐานะจากการเป็นเศรษฐีหรือจากการเป็นผู้มีความสามารถที่จะเลือกของใช้ไม้สอยต่างๆได้เลือกอาหารชนนั้นช น, น, นิดนี้ได้เลือกเสื้อผ้าชนิดนั้นชนิดนี้ได้เลือกที่อยู่ ชนิดนั้นชนิดนี้ได้เลือกยารักษาโรคชนิดนั้นชนิดนี้ได้ให้ลดฐานะมาเป็นคนขอทานไปไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกมีแต่รอความเมตตาของผู้ให้เท่านั้นเขาอยากจะให้อะไรก็รับไปเขาอยากจะให้อาหารของเศรษฐีก็ให้ก็ให้ไปเขาอยากจะให้อาหารของคนจนก็ให้ก็ให้ไป ผู้รับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเขียนเมนูสั่งไว้ว่าพรุ่งนี้เอาอาหารชนิดนั้นอ า, อาหารชนิดนี้แล้วแต่ใครจะให้อะไรมาก็รับไปแล้วก็มาฉันมารับประทานเพื่อดับความหิวเท่านั้นแล้วได้มากกว่านั้นก็ให้สละไปให้หมดไม่ให้เก็บเอาไว้เป็นภาระพลุงพลังเพราะถ้ามีสมบัติมากเดี๋ยวก็ต้องมายุ่งกับการดูแลรักษาสมบัติอีก เวลาที่จะไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็จะไม่มีนั่นเองแทนที่จะมารับมรดกก็เลยกลับมารับทรัพย์สมบัติจากสัตจากศรัทธาญาติโยมกันบางวัดเดี๋ยวนี้กลายเป็นวัดเศรษฐีขึ้นมาญาติโยมเยอะให้มอบเงินทองให้กับวัดก็เลยมาสร้างถาวรวัตถุ ก, กันแล้วก็เลยกลายมาเป็น ผ่านลงมาคอยดูแลทรัพสมบัติที่ญาติโยมบอยจากให้มาสร้างกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สวยกันสวยงามวิจิตรพิสดานแล้วก็ต้องมาดูแลรักษาวความสะอาดกันแล้วพอมันเก่ามันผุพังก็ต้องมาบูรณะซ่อมแซมกันแทนที่จะเอาเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อรับมรดกอันล้ำค่าจากพระพุทธเจ้า ก็เลยไม่ได้ไปรับมารับมรดกจากญาติโยมกันเนี่ยญาติโยมคนบางคนตายก็มอบสมบัติให้กับวัดเห็นไหมมอบที่ดินมอบนูน่นมอบนี่ให้กับวัดพระก็ต้อง่อยมาดูแลจัดการทรัพย์สมบัติของญาติโยมอีกทีเลยไม่ได้ไปรับสมบัติของตนเองไม่ได้ไปรับมรดกที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้เพราะไม่มีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา มีแต่จะต้องมาคอยดูแลวัดวาอารามให้ให้สวยให้งามต้องคอยทำความสะอาดต้องคอยซ่อมแซมบารุงต่างๆต้องคอยบริหารรายรับรายจ่ายของวัดเลยไม่มีเวลาที่จะไปรับมรดกลืมไปว่ามาบวชเพื่ออะไรไปมาบวชเพื่อที่จะไปรับมรดกอันล้าค่าจากพระพุทธเจ้า การจะรับมารดกการ้ําค่าได้นี้จําเป็นจะต้องไม่มีสมบัติอะไรมากเกินไปมีสมบัติเพียงแปดชิ้นก็พอเพื่อที่จะได้ใช้เป็นเครื่องสนับสนุนในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของร่างกายนี้เท่านั้นแล้วจะได้เอาเวลาที่เหลือนี้มามาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญากัน เมื่อถ้าได้มีเวลาแล้วได้ปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้ารับประกันไว้เลยถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนถ้าไม่เจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีจะต้องได้รับมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่ต้องไม่ทำภารกิจอย่างอื่นไม่ไปทำการคอยรับกิจนิมนต์คอยรับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากญาติโยม ไม่ไปรับงานบุญบางสังสวดต่างๆเดี๋ยวก็มีงานบุญนีมนไปองานบุญนั้นบุญนี่เดี๋ยวก็มีบางสกุลคนนั้นตายคนนี้ตายก็ไปชักผ้ า, พาพบางสกุลเดี๋ยวญาโยมก็อยากจะถวายสังฆทานก็มาถวายสังฆทานเดี๋ยวญาโยมอยากจะให้ส่วนอส่วนมนขับผีขับอะไรต่างๆขับไร่ สเสนียดจันไรต่างๆก็นิมนต์พระไปสวดถ้ า, าพระไปยุ่งกับงานเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติสีงสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยนั่นเองดังนั้นต้องระมัดระวังค้าทาใครอยากจะรับมรดกอันน้ำค่าจากพระพุทธเจ้านี้อย่ามัวหลงไปกับภารกิจการงานอย่างอื่น บางคนก็หลงไปกับการหาที่อยู่ที่อาศัยไปเรี้ยรายคนนั้นคนนี้ให้มาช่วยปลูกกุฏิสร้างกุฏิปลูกเสร็จก็ต้องมีการเลี้ยงฉลองมีอะไรกันอีกรุ่นวายไปกันหมดนะเอาเอากุฏิที่มีอยู่แล้วดีกว่าเอายินดีตามมีตามเกิดไปส่วนใครจะเห็นว่าเราอยู่แบบขาดแคลนอยู่แบบ อดอยากเขาอยากจะสร้างใหม่ให้เราก็ปล่อยเขาสร้างไปเราไม่ต้องไปวุ่นวายกับการหาเงินหาทองมาสร้างกันเอาเวลามาปฏิบัติกันดีกว่าไม่งั้นเจ็ดชาติมันก็นไม่จบนะถ้าลองไปวุ่นวายกับเรื่องปัจจัยสี่เรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องอาหารเรื่องเครื่องนุ่งหม่มเรื่องยารักษาโรค มันหาเท่าไหร่มันก็ไม่พอถ้าลองใช้ความอยากแล้วมันก็จะมีความอยากเพิ่มเติมขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราไม่มาศึกษาพระธรรมคําสอนไม่มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าพวกเรานี้เป็นลูกของมหาเศรษฐีเราอาจจะเป็นลูกกัมพา คือตอนที่เกิดมาแล้วต้องพัดพากจากพ่อแม่เลยไม่รู้ว่าพ่อแม่ของเรานี่เป็นใครเราจะมารู้ก็ต่อเมื่อเนี่ยเรามาได้ฟังเทศฟังธรรมกันเราจะได้รู้ว่าพวกเรานี่แหละเป็นลูกของมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกและมีมรดกอันล่ำค่าที่จะมอบให้กับพวกเราคือวิมุติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ที่พวกเราสามารถที่จะไปรับมรดกนี้ได้ถ้าพวกเรายื่นเจตจำนงยื่นคำร้องคำขอรับมรดกคำขอเป็นทายาทการที่จะไปเป็นทายาทได้ก็ต้องทำตามเงื่อนไขคือต้องไปอยู่แบบคนจนอยู่แบบมากน้อยสันโดษอยู่แบบตามมีตามเกิด แล้วก็ให้ไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่าไปทำอย่างอื่นการมารับมรดกนี้ให้มาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปทำเรื่องบุญบางสังสว่วนอย่าไปสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆถาวรวัตถุต่างๆอย่าไปปลุกเสกทาวัตถุมงคลต่าง ๆ, ๆ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เป็นวิธีรับมรดกอันร่ำคาของพระพุทธเจ้าการจะรับมรดกอันร่ำคานี้ต้องไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องไปปีกวิเวกต้องไปอยู่ที่สงบอยู่ที่ห่างไกลจากเรื่องวุ่นวายต่างๆเท่านั้นถึงจะสามารถรับมรดกอันร่ำคานี้ได้ถ้าทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทาได้ เจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีนี้ก็จะเป็นความจริงขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับประกันเองนี่คือเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกเรากับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่ทางธรรมของพวกเราพวกเราเป็นทายาททางธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพวกเราอยากจะรับมรดกก็ขอให้เรามายื่นเจตจำนงกัน มาบวชกันนั่นเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรเฮียถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติยุทีตังปฏทีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนตตสังกปาจันโทปนาราสุยาถา มานิชติอาราโสยถาสัพพิตโยวิวัชานโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขิติขายุโกภวะ อภพิวาทนสีิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโรธมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลางาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกแล้วปิดหม่แล้วก็ของดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่เจ้าค่ะวันนี้ทาง f a c e b o o สามร้อยสิบยูทูบสองร้อยเจ็ดสิบเจิดออนไลน์ยี่สิบสองรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสามสิบห รวมทั้งหมดเจ็ดรอยสิบห้าท่านเจ้าค่ะใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้เขียนส่งกระดาษใส่ข้อความเข้ามาก็ได้ เเชิญถามได้ลยคำถามจากผู้ฝากถามบนเขาค่ะบางคนเข้าใจว่าการบอกบุญทุกวันเป็นการสร้างบารมีให้ตนเองเกิดชาติหน้าจะได้มีบริวารมากจริงหรือไม่ครับไม่จริงหรอต้องทำเองไม่ใช่ไปของเงินคนอื่นมาทำํำก็จะเป็นขอทานไปทุกชาติแต่ถ้าทําบุญแล้วจะมีคนตามมาเองดังนั้ต้องทําทําบุญแล้วก็จะมีบริวารมาก คำถามจากผู้รับฟังบนเขาอีกท่านเจ้าคะ่ะปัญญาบา ร, รมีหมายความว่าอย่างไรครับคือความรู้ไงความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมแต่ปัญญาบา ร, รมีเราหมายถึงความรู้ทางธรรมคือโลกุตตะธรรมธรรมที่ให้จิตหลุดออกจากไตรภพออกจากสังสารวัฏคืออริยสัจสีและไตรลักษณ์เน่งเรียกว่าปัญญาทางธรรม คำถามต่อไปจากผู้ฝักถามบนขาวคะ่ะการทำบุญถวายทานและอุทิศให้บิดาที่ล่วงลับไปแล้วกับการสร้างพระธาตุเพื่อใส่กระดูกบิดาแบบไหนได้บุญคะทำทานอะได้บุญการสร้างนนไม่ได้บุญเพราะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใครการทำจ ะ, จะเกิดบุญก็เมื่อต่อเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น เลี้นใส่บาตรให้เงินขอทานปล่อยนกปล่อยปลาช่วยคนยากคนจนเเราทําให้คนอื่นมีความสุขเราก็เลยเกิดความสุขใจขึ้นมาเรียกว่าบุญพอเรามีความสุขใจมีบุญเราก็ส่งบุญแบ่งบุญให้กับคนตายได้แต่เราไปสร้างอะไรไว้เราไม่ได้ไปทําประโยชน์อะไรให้กับใครความรู้สึกคือความสุขใจมันก็ไม่เกิด คำถามต่อไปทาง a ฟ e b o o k จากคุณยิมค่ะทำบุญกับโรงพยาบาลแล้วขอใบอนุโมทนาบุญเพื่อนำไปลดภาษีจะได้บุญไหมคะได้แต่ลดน้อยลงเนี่ยตามปริมาณที่เราขอคืนทำไปร้อยแล้วขอลดภาษีหนึ่งสิบบาทก็เท่ากับทำา90บาทไม่ได้ทำร้อยหนึ่งก็ได้บุญแค่90สบาทถ้าอยากจะได้บุญเต็มร้อยก็อย่าไปขอลด คำถามต่อไปทาง y o u ูทูบจากคุณอุมาค่ะพระอาจารย์คะตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่จะมีวิธีใดบ้างที่จะทําให้เราทราบว่าเมื่อเราตายไปแล้วจะได้ไปสวรรค์หรือนรกคะก็ตอนที่เราฝันเนี่ยเราฝันดีหรือฝันร้ายถ้าเราฝันดีเราก็ไปสวรรค์กันถ้าเราฝันร้ายเราก็ไปอบายกันขณะที่เราเตื่นเราทุกข์มากรู้สุขมากกว่ากันก็เป็น สัญญาณบ่งบอกอย่างหนึง่งถ้ามีความสุขใจมากกว่าความทุกข์ใจก็จะไปสวรรค์ถ้ามีความทุกข์ใจมากกว่าความสุขใจก็จะไปอบายคำถามจากผู้ฝึกถามบนเขาค่ะขนาดที่นั่งฟังเทศแล้วนั่งภาวนาพุโทโธไปด้วยได้ไหมคะได้แต่มันจะไม่มันจะไม่ได้ประโยชน์มาก เพราะการฟังเทศน์นี้เราต้องการจะฟังเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้ความฉลาดหรือไม่ฉะนั้นก็ฟังเพื่อให้จิตสงบถ้าเราไปพูดโธด้วยมันจะไปชนกันมันจะไปแข่งกันถ้าจะพูดโธก็ไปนั่งที่เงียบๆคนเดียวไม่มีเสียงอะไรเข้ามาทางหูจะดีกว่าถ้าฟังธรรมก็ไม่ต้องพูดโธอาศัยการฟังธรรมนี้ จะได้ประโยชน์สองอย่างได้ความสงบและได้ปัญญาเห็นถ้าฟังธรรมแล้วไม่ควรพูดโธถ้าจะพูดโธก็ปิดการฟังธรรมเสียคำถามต่อไปจะผู้ไม่ประสองค์ออกนามทางอินบ็อกซ์ของเฟ e บุ๊กเจ้าคะ่ะยมมีอาจารย์ผู้นำบุญท่านหนึ่งเป็นคารวาสผู้นำบุญคณะในการหล่อพระสร้างโบสถ์ยมได้ร่วมบุญกับท่านอยู่เป็นประจารวมทั้งบอกบุญผู้ คนให้มาร่วมบุญกันเสมอวันหนึง่งพบว่าท่านเปลี่ยนไปไม่ปฏิบัติอยู่ในสิน่ในธรรมผิดสินข้อสามและน่าจะผิดข้ออื่นด้วยเนื่องจากร่ำรวยผิดปกติซึ่งโบสถ์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้สร้างและอาจารย์ผู้นำบุญเป็นผู้จ้างผู้รับเหมาโดยตรงไม่เกี่ยวกับทางวัดปัญหาคือโยมมีซองบุญที่คนร่วมบุญค้างอยู่ที่โยมหน้าซองระบุว่าหลอพระประธาน11องค์ พร้อมอักขรสาวกสร้างโบสถ์1วัดผู้ร่วมบุญใส่ซองมามีระบุชื่อและไม่ระบุชื่อขอคําแนะนำว่าโยมควรทำอย่างไรกับเงินปัจจัยส่วนนี้คะถ้ามีวัดที่เราจะไปสร้างกเาเา็เอาไปมอบให้กับวัดเขาไปแทนก็ได้หรือถ้าติดต่อกับเจ้าภาพได้ก็ส่งคืนเข้าไปบอกว่าไม่สามารถานำเงินนี้ไปทำสิ่งที่ได้ตั้งใจเอาไว้ได้ ก็มีสองทางถ้าสมมติไปสร้างสร้างแล้วไปตั้งสร้างให้กับวัดนั้นวัดนี้ก็ให้เงินยกให้วัดเข้าไปแล้วแต่วัดเขาจะาไปทาอะไรก็เรื่องของวัดไปถ้าติดต่อกับคนบริจาคได้ก็ถามเขาว่าจะเอาคืนไหมไม่เอา ค, คืนก็จะให้วัดไปหรือไปทำอย่างอื่นหมดแล้วเนอะคือถ้าเราไปรับปากว่าจะทำอะไรแล้วมันก็เป็น การการให้คำมั่นสัญญาถ้าเราไปทำผิดคำมั่นสัญญามันก็เป็นการหลอกลวงไปเป็นการโกหกเป็นบาปไปเห็นถ้าเราไม่สามารถทำตามที่เราได้ให้คำมั่นสัญญาได้ก็ต้องบอกคนที่เราทำคำสัญญากับเขาให้เขารับรู้แล้วแต่เขาจะให้ทำอย่างไรต่อไปก็ให้ทำตามที่เขาบอกถ้าไม่สามารถติดต่อกับเขาได้ ก็เอาไปทำบุญที่วัดก็แล้วกันนะหรือที่ไหนที่ก็มีหล่อพระที่ไหนก็ไปทำที่นั่นแทนก็ได้คำถามทาง y o u t u ู e จากคุณป้อง7จดแปดค่ะเหนื่อยกับการหาเงินทองมานานจนได้มาฟังเทศพระอาจารย์เลยเข้าใจว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือจิตใจที่ปราศจากการยึดติด และปล่อยวางทุกอย่างผมเข้าใจถูกต้องไหมครับถูกแล้วอยู่ที่ทำได้ไม่ได้บางทีรู้แล้วแต่ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ า, อ, าอุปทานคือความยึดติดนี่มันเหมือนกาวตาช้างเมื่ามันติดแล้วนี่บางทีต้องเอาค้อนหรือเอาอะไรมางัดมันถึงจะออกมาอยู่ดีๆจะดึงมันออกมาไม่ดึงมันไม่อยอมหลุดออกมาง่ายๆดีไม่ดีจะต้องทุบ ของไทยมันแตกพังไปเลยถึงจะหลุดงห้นต้องใช้ศีลสมาธิปัญญาถึงจะปล่อยวางได้ยังไม่มีคําถามเข้ามาใช่ไหมาการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นทางออกจากความทุกข์ทั้งปวงออกจากปัญหาทั้งหมดที่เรามีอยู่กันในขณะนี้ถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้ว เราจะปล่อยวางได้อันไหนเราทำได้เราก็ทำไปอันไหนเราแก้ได้ก็แก้ไปอันไหนเราทำไม่ได้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปรายในที่สุดมันก็ไปของมันเองอยู่ดีทุกสิ่งทุกอย่างมีวันสิ้นสุดนุไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนต่างๆ ในที่สุดก็มีวันจบสิ้นนดังนั้นจะไปทำหรือไม่ทำมันก็ไปสู่จุดเดียวกันจะไปแก้หรือไม่แก้มันก็ไปสู่จุดเดียวกั น, ก, ก, น, ก, ดด ก, นก็คือความสิ้นสุดความความหมดไปของทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายเดียวมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟไปบ้านศาลาหลังนี้เดี๋ยวมันก็กลายเป็นซากพลังหักพังไป ไปดูกรุงสุขโขทัยหรือกรุงศรีอยุธยาเหล่านี้เหลืออะไรก็เหลือแต่ซากปปล่าหักพังไปกรุงโรมกรุงอะไรต่างๆในอดีตที่รุ่งเรืองที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามต่อสู้รักษาป้องกันไว้มากน้อยเพียงไรก็ตามในที่สุดมันก็ต้องกลายเป็นซากเปลังหักพังไปกําแพงเมืองจีนพีระมิดเนี่ย สร้างกันแบบเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าแทบเป็นแทบตายกันทำสงครามต่อสู้กันแล้วเป็นยังไงมันก็เสื่อมลงไปหมดไปตามเวลานั่นเองงั้นโลกนี้อย่าไปทำอะไรให้เหนื่อยยากเลยมาสร้างวิมุติกันดีกว่ามาหลุดพ้นกันดีกว่าหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันดีกว่าถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ต้องมาสร้างกันอยู่เรื่อย พอเรามาเกิดแล้วก็ต้องมาสร้างครอบครัวสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างทรัพย์สมบัติสร้างฐานะสร้างอะไรต่างๆดิ้นนนกันต่อสู้กันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากันแทบเป็นแทบตายกันแล้วเดี๋ยวก็ไปสู่ความตายกันทุกคนนะังนั้นอย่าไปดิ้นลนเลยกับเรื่องของทางโลกมาดิ้นนนทางธรรมดีกว่าเพราะว่าทางธรรมนี้ได้แล้วได้เลยไม่สูญเสียไม่มีวันหมด ได้วิมุติแล้ววิมุติเลยได้นิพพานแล้วนิพพานเลยไม่มีการที่จะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปมีคำถามเข้ามาจากคุณแบงกี้เจ้าคะ่ะการดูแลแม่ที่ป่วยถือเป็นบุญสูงสุดในโลกไหมครับก็พ่อแม่นี้เป็นพระอาราัน์ของลูกๆนีย การได้เลี้ยงดูพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ก็เท่ากับได้ดูแลพระอรหัออนต์การทําบุญกับพระอรหันต์นี่ท่านถือว่าได้บุญยิ่งใหญ่เพราะว่าพระอรหันต์นี่ท่านเป็นคนที่มีคุณมีประโยชน์มากแล้วท่านจะมอบคุณประโยชน์ให้กับเราได้พ่อแม่ก็ให้คุณประโยชน์กับเราแล้วเรายังไม่ได้ทดแทนเลยคุณประโยชน์ที่พ่อแม่ให้กับเราคืออะไรก็ชีวิตของเรานี่แหละ ร่างกายของเรานี้มาจากใครถ้าไม่จะมาจากพ่อจากแม่เราจะอยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรือไม่เราจะมีสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่กัขนขณะนี้ได้หรือไม่ถ้าไม่มีพ่อแม่ให้ชีวิตนี้กับเราเลดังนั้นพระคุณของพ่อแม่จึงเปรียบเทียบเหมือนพระคุณของพออาระอรหันต์พออาระอรหันต์นี้ท่านจะให้วิมุติการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด พ่อแม่ให้ชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้มาสร้างความสุขต่างๆให้กับเราดังนั้นเปรียบเทียบจึงถือว่าเป็นเหมือนกับทำบุญกับพระอาหารหันต์ได้บุญมากได้ความสุขมากดังนั้นพยายามทำให้ดีเต็มที่ทำให้สุดขณะที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่ทำตามกําลังตามความสามารถของเราอย่าให้มันเป็นไปตามที่เขาพูดกันว่า พ่อแม่เลี้ยงลูกสิบคนได้แต่ลูกสิบคนเลี้ยงพ่อแม่สองคนไม่ได้ดังนั้นก็เพราะขาดความกระตันอยู่ขาดความสำนึกในบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อของแม่นั่นเองกลับไปเห็นความสำคัญของสามีภรรยาของบุตรของธิดาของตนทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่มีบุญคุณอะไรกับเราเลยเรากับไปเลี้ยงดูเขายิ่งดียิ่งกว่าเราเลี้ยงดูพ่อแม่ของเรา อย่างนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ดีกว่าการเลี้ยงดูตัวเราหรือเลี้ยงดูลูกสามีของเราภรรยาของเราถึงจะเรียกว่าเป็นคนมีความกตัญญูเป็นคนรู้บุญคุณของผู้มีพระคุณมีคำถามเข้าม่อีกหมคำถามต่อไปจากคุณอัชราเจ้าค่ะ เราเลี้ยงคุณพ่อแต่ท่านเสียหมดแล้วยังเสียดายท่านจะไปเสียก่อนเลี้ยงท่านน้อยไปปฏิบัติธรรมตอบแทนท่านได้ด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาได้ใช่ไหมคะไม่ได้หรอกต้องทําบุญตทำทําบุญใส่บาตรบริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไปเพราะบุญที่เราได้จากการไหว้พระสวดมนต์นี้ยังไม่สําเร็จประโยชน์ยังไม่เกิดผลขึ้นมา ยังยังไม่สามารถที่จะแบ่งบุญไปให้กับท่านได้อยากจะแบ่งบุญให้แบ่งบุญด้วยการทำบุญทำทานชนิดต่างๆนี่เห็นไหมพอพ่อแม่ตายไปแล้วถึงมาบุญที่หลังว่าทำน้อยไปเวลาอยู่ก็เกี่ยงกันฉันไม่ว่างเธอไม่ว่างคนนั้นก็ไม่ว่างต้องส่งลูกไปโรงเรียนคนนี้ก็ต้องเฝ้าดูกิจการของบริษัท มีแต่คนไม่ว่างทั้งนั้นพอพ่อแม่ตายทีนี้อยากจะมาทำบุญให้พ่อแม่แล้วสินี่แหละมันเป็นเรื่องของคนเวลาไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ทำให้ไม่คิดถึงเหมือนไม่คิดไว้ล่วงหน้าก่อนเว่าเดี๋ยวกับพ่อแม่ตายไปแล้วเราจะไม่มีโอกาสได้ทำบุญกับพ่อแม่แล้วตอนนี้พ่อแม่อยู่ทาไมไม่รีบทำบุญนะไม่รีบตับแทนบุญคุณของพ่อแม่ ทำเนียมเขาเลยมีสอนให้กราบพ่อกราบแม่ทุกวันถึงแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ให้กราบเพื่อจะได้นำลึกถึงพระคุณของพ่อของแม่นั่นเองไม่ใช่กราบเฉยๆกราบนี่เป็นกิริยาแต่เจตนาคือให้เระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ว่าชีวิตของเราอยู่มาได้จนถึงบัดนี้ก็เพราะพ่ อ, พอแม่ของเรานี่แหละนะ ถ้าไม่มีพ่อแม่ให้กำเนิดเลี้ยงดูเราเราจะมาอยู่ตรงจุดนี้ได้อย่างไรให้คิดอย่างนี้บ่อยๆทุกวันจะได้ไม่ลืมไม่ใช่อะไรหรอกส่วนใหญ่ไม่ได้มีความกัะตันอยู่หรือในเราคุณเพียงแต่ลืมมัวแต่ไปคิดถึงเรื่องภารกิจการงานต่างๆเรื่องการหาความสุขของตนเองจนลืมเรื่องของคนสำคัญไป ทางธรรมเนียมของชาวไทยชาวพุทธเราจึงนิยมให้กราบพ่อกับแม่หลังจากที่การากบพระรัตนตรัยกราบพระรัตนตรัยก็เหมือนกันกราบเพื่อลำลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อเราจะได้ไม่ลืมไปรับมรดกเราเป็นทายาทของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราเป็นทายาทของพ่อของแม่ของเราเราพ่อแม่ก็ให้มรดกเรามาแล้วคือร่างกายชีวิตของเราเราต้องถบแทนบุญคนให้กับท่าน คำถามเพิ่มเติมจากคุณอัจชราค่ะนมันสการพระสงฆ์ผู้เจริญค่ะทำบุญด้วยการใส่บาตรสามารถส่งถึงท่านได้ไหมคะและการให้ทานเป็นการสร้างบุญไหมคะเหมือนกัน คำว่าทานก็แปลว่าการให้มีหลายรูปแบบด้วยกันให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นการให้อย่างหนึ่งให้กับโรงเรรียนให้กับโงพยาบาลให้กับสัตว์เดรัจฉานก็เป็นการให้ให้กับญาติโยมพี่น้องพ่อแม่ก็เป็นการให้เป็นทานเหมือนกันหมดเป็นบุญเหมือนกันหมดทานเป็นเหตุบุญเป็นผลทำทานเมื่อมีการให้ความสุข ให้ประโยชน์แก่ผู้นนก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเราก็เรียกว่าบุญพอเรามีความสุขใจเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่รุงรับไปได้นะครับคำถามต่อไปจากคุณวชิราวิทย์เจ้าค่ะเรียนถามทำอย่างไรจึงได้ปฏิบัติธรรมทั้งที่ภาระเยอะเหลือเกินทั้งเหนื่อยทั้งเบื่อหน่ายเหลือเกินครับก็ต้องเปลี่ยนฐานะไง มาเป็นคนจนไม่อยู่แบบพระไปบวชไปถือสีพอบวชแล้วก็ไม่มีภารกิจการงานเรื่องวุ่นวายต่างๆก็จะมีเวลาไปปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้อย่างเต็มร้อยถ้ายังเกี่ยวข้องกับภารกิจการงานอยู่มันก็จะพันกันไปจนถึงวันตายนะเพราะงานทางโลกมันไม่มีวันจบนะพอได้มาก็อยากจะได้เพิ่มมากขึ้น พอขาดทุนก็อยากจะได้คืนมันก็ต้องดินดอนหาเงินหาทองกันอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีกำลังที่จะหาได้เท่านั้นถึงจะหยุดเนี่ยเนั้นถ้าเราอยากที่จะออกจากวงจรอุบาทนี้ออกจากวงการอันนี้ก็ต้องลดฐานะเราให้ต่าลงให้หัดมาอยู่แบบขอทานให้ได้หัดอยู่แบบพระให้ได้แล้วเราก็จะไปบวชได้ ก็ลองทำดูก่อนสิถ้ายังไม่มั่นใจว่าจะอยู่แบบขอท า, านอยู่แบบพระได้ก็ลองทำดูสักปีหนึ่งลาออกจากงานยกขายภารกิจกิจการต่างๆไปแล้วก็ลองหัดอยู่แบบพระกินข้าววันละมือ้อที่อยู่ก็ที่ไหนก็ได้มีที่หลบแดดหลบฝนได้แล้วก็เอาเวลาว่างมา ศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมะศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าทำได้ปีหนึ่งก็รู้ว่าไปบวชได้ไ้บวชได้ก็สบายเรื่องราววุ่นวายต่างๆก็จะน้อยลงไปหมดไปกิเลสต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะน้อยลงไปแล้วเดี๋ยวก็หมดไปแล้ววิมุตติก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปมีคำถามอีกไหม